ก็ความในเนติปกรณ์หน้าหนึย่อหน้าสุดท้ายบุคคลผู้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ย่อมละวิปลาสว่าเที่ยงในสิ่งที่ไม่เที่ยงวิญญาณอาหารย่อมถึงการกำหนดรู้แก่บุคคลนั้นบุคคลนั้นผู้ไม่ยึดถือด้วยทิฏฐปาทานเป็นผู้ไม่ประกอบด้วยทิฏฐโยคะไม่ประกอบด้วยศีลพัตะปรามาศกายคันทะ เป็นผู้ไม่มีอาสวะด้วยทิฐิอาสวะเป็นผู้ข้ามทิโถโขคะไม่ถูกแทงด้วยลูกศรคือมานะวิญญาณถิติกล่าวคือสัญญาของบุคคลนั้นย่อมถึงการกำหนดรู้ราคาความยินดีในสัญญาของบุคคลนั้นย่อมหายไปบุคคลนั้นย่อมไม่ถึงพยาคตินี้มาดูโดยลำดับว่าพิจารณาเห็นจิตในจิตเนี่ยนะพิจารณานี้เป็นเชื่อของ อนุปัสนาเนี่ยจิตจิตเตจิตานุปัสสีไอจิตานุปัสสีก็คือการพิจารณาเห็นจิตในจิตบุคคลผู้พิจารณาเห็นจิตในจิตหมายค่ะว่าเจริญอนิจจานุปัสนาในจิตเจริญทุกขานุปัสนาในจิตเจริญธรรมานุปัสนาในจิตเจริญนิพพานุปัสนาในจิตเจริญวิราคานิโรธาและปฏินิสักานุปัสนาในจิตคือตามเห็นจิตโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ตามเห็นจิตว่าเป็นของ เที่ยงตามเห็นจิตโดยความเป็นทุกข์ไม่ใช่เห็นว่าจิตนี้เป็นสุขตามเห็นจิตโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่เห็นจิตโดยความเป็นอัตตาตามเห็นจิตโดยความเบื่อหน่ายไม่ใช่เพลิดเพลินตามเห็นจิตโดยความคลายกำหนัดไม่ใช่กำหนัดตามเห็นจิตโดยความดับไม่ใช่มุ่งจะสร้างขึ้นตามเห็นโดยสละคืนไม่ใช่ถือมั่นผู้ที่มีปัญญาตามเจริญอนุปัสนาเจในจิต ก็คือย้ำในความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของจิตอยู่นั่นแหละผู้ที่เจริญอย่างนี้ได้จริงก็ละ ว, วิปลาสว่าเที่ยงคือความสำคัญผิดคิดว่าเที่ยงพวกนี้จะวิปลาสคิดว่าจิตเที่ยงเป็นยังไงใช่ไหมก็พวกที่อะไรนะเอาใจเข้าว่าใช่ไหนึกว่าใจนี่มันแน่ใจนี่มันมั่นคง ใจที่เขาพามาก็ดวงนั้นแหละใจที่นั่งอยู่ก็อันนั้นแหละใจที่จากไปก็อันนั้นแหละก็เลยนึกว่าใจนี้เป็นของที่ยั่งยืนและแน่นอนซึ่งความจริงนี้พระพุทธเจ้าอบรมใจเหมือนอะไรเหมือนวานนอนเป็นต้นเนี่ยนะจึงมีการแยกจิตทั้งหลายแยกจิตใช่ไหมจิตทวารตาก็อย่างหนึ่งจิตทวารหูก็อย่างหนึ่งจิตทวารจมูกก็อย่างหนึ่งจิตทวารลิ้นก็ อย่างหนึ่งจิตทวารกายก็อย่างหนึ่งจิตทวารใจก็อย่างหนึ่งจิตที่เกิดแต่ละทวารก็คือว่าจิตคนละอย่างกันจิตทวารตามีสีเป็นอารมณ์จิตทวารหูมีเสียงเป็นอารมณ์เป็นต้นจิตทวารตาที่มีสีขาวเป็นอารมณ์ก็อย่างหนึ่งที่มีสีแดงเป็นอารมณ์ก็อย่างหนึ่งสีเขียวเป็นอารมณ์ก็อย่างหนึ่งมีสีเหลืองเป็นอารมณ์ก็อย่างหนึ่งก็ถือว่าคนละจิตคนละจิตไปจิตทวารหูที่มีเสียงแต่ละอย่างก็ถือว่าจิตคนละอย่างไป ทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายก็คือหลากหลายออกไปนั้นคําว่าจิตนี้มาจากคําว่าวิจิตนั่นเองวิจิตด้วยวัตถุวิจิตด้วยทวารวิจิตด้วยอารมณ์วิจิตด้วยสัมปยุตตธรรมเมื่อมีความหลากหลายในจิตอย่างนี้ผู้ที่ไม่เจริญจิตตาวิปนุปัสสนาเนี่ยนะไม่ตามเห็นสภาพที่เป็นจริงของจิตสําคัญว่าจิตนี้ยังไงยั่งยืนใช่ไหมแน่นอนจิตนั่นแหละเป็นตัวล่องรอย พระรูปหนึ่งที่เป็นมิจฉาทิถิท่านบอกว่าจิตชาติที่แล้วกับจิตชาตินี้อันเดียวกันดวงเดียวกันเพราะจิตอันเดียวนี่แหละที่มันล่องลอยไปจากชาติหนึ่งสู่ชาติหนึ่งจากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งแม้กระทั่งไปอ่านชาดกเข้านี่เห็นไหมพระเวสสันดรก็คือเราตถาคตนี่แหละมหาชนกก็คือเราตถาคตเป็นต้นก็เลยสําคัญว่าเป็นแล้วตัวไหนอะรู ป, ปกายก็แตกทําลายไปแล้วอ่ะมันต้องจิตสิ คือสิ่งที่ที่ยั่งยืนและแน่นอนพวกนี้ก็ถือว่าจิตนี้เป็นของเที่ยงถือวิญญาณเป็นของเที่ยงล่องลอยจุติและปฏิสนธิตายจากชาติหนึ่งไปสู่ชาติหนึ่งจิตนี่แหละมันไปคืออยู่บนพื้นฐานของสัสตรทิฏฐิเป็นต้นผู้ที่เจริญจิตตามเป็นจริง น, นะเห็นจิตโดยทวารและโดยอารมณ์มีการวิเคราะห์ มีการจำแนกแจกแจงน่ยนะว่าจิตทวารตาก็อย่างหนึ่งนะจิตทวารหูก็อย่างหนึ่งจิตทวารจมูกก็อย่างหนึ่งจิตทวารตาก็หมดไปในทวารตานั่นแหละไม่ถึงทวารหูหรอกจิตทวารหูก็หมดทวารหูนั่นแหละไม่ถึงทวารจมูกจิตทวารจมูกก็หมดไปในทวารจมูกไม่ถึงทวารลิ้นจิตทวารลิ้นก็หมดไปในทวารลิ้นนั่นแหละไม่ถึงทวารกายจิตที่เกิดทวารตาก็อาศัยวัตถุอารมณ์เกิดจากปัจจัยที่แตกจัง แตกต่างจากทวารหูมันเมื่อวิเคราะห์แล้วอะว่าจิตในอดีตก็อย่างหนึ่งจิตที่จะเกิดในอนาคตก็อย่างหนึ่งจิตที่อาศัยเกิดขึ้นในแต่ละวัตถุแต่ละทวารแต่ละอารมณ์ก็คนละอย่างคนละอย่างเป็นต้นแล้วก็จําแนกจิตเหล่านั้นพร้อมทั้งสัพพยุตรธรรมพร้อมทั้งอันนั้นนะสัมพยุตธรรมเป็นต้นก็จะเห็นถึงความไม่ยั่งยืนความไม่แน่นอนความไม่มั่นค ง, งของจิตทั้งหลายก็ละความสําคัญ ผิดคิดว่าจิตนิเที่ยงบางทีถ้าคนที่ไม่เจริญจิตตานุปัสสนาก็จะหาความแน่นอนจากอะไรจากใจใช่ไหมให้ใจมันมั่นคงเถอะมันเป็นไปได้ไหมขอให้ใจเรามั่นคงเนี่ยเป็นไปได้ไหมเอาแล้วสมาทานเพื่อให้จิตตัวเองเนี่ยถ้าเป็นบุญให้จิตเป็นสมาธิหรือมันขัดกันหรือไม่แต่ถ้าวิเคราะห์ดีๆเนี่ยนะว่า สภาพของจิตนี้เกิดขึ้นโดยวัตถุทวารและอารมณ์ที่แตกต่างกันก็จริงแต่ผู้ที่มีอัตตะสัมมาปณิธิน้อมจิตเพื่อให้เป็นฌานเนี่ยนะจิตเขาก็ตั้งมั่นตั้งมั่นสืบเนื่องในอารมณ์เดียวแต่ก็ไม่ใช่ว่าจิตจิตที่เป็นฌานนี่เป็นจิตที่เที่ยงไม่ใช่จิตที่เที่ยงแต่ว่าเป็นจิตที่เป็นกุศลโดยส่วนเดียวเป็นกุศลที่ได้รับการพัฒนาอย่างสูงเป็นต้นเนี่ยนะก็เป็นเป็นกุศล แต่ว่าจิตทั่วๆไปเนี่ยนะผู้ที่เจริญวิปัสสนาอย่างระดับสูงก็ตามเห็นชาวณจิตนั่นแหละว่าเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาซึ่งปกติสัตว์ทั้งหลายเข้าใจว่าจิตนี้จิรังยั่งยืนและมั่นคงแน่นอนแค่ว่เาเอาใจรับประกันอย่างนีนีก็ยาก น, นะเพราะว่าใจนั้นเป็นของที่ไม่เที่ยงใจนั่นแหละเป็นลักษณะที่เป็นวิญญาณอาหารวิญญาณอาหารนํามาซึ่งอะไร วิญญาณอาหารเน้นำมาซึ่งนามรูปจิตเนี่ยเป็นจิตที่นํามาซึ่งนามคือเจตสิกทั้งหลายที่ประกอบร่วมกันจิตนี้เป็นตัวที่นํามาซึ่งรูปวิญญาณอาหารตัวนี้ยจิตถ้ากรรมะวิญญาณเป็นปัจจัยแก่กรรมชรูปถ้าวิบากวิญญาณก็เป็นปัจจัยแก่จิตตชรูปชาวนะทั่วไปก็เป็นปัจจัยแก่จิตตชรูปจิตนั้นถ้าเป็นกรรมะวิญญาณก็ให้ผลเป็นกรรมชรูปเนี่ยนะวิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามรูป มันวิญญาณเหล่านี้เป็นปัจจัยจึงมีนามรูปมันถ้ากาหนดจิตจริงๆก็จะเท่ากับว่ารอบรู้ในผลของของจิตคือนามและรูปทั้งหลายเพราะว่านามรูปมีจิตเป็นเหตุใกล้ขณะเดียวกันจิตก็มีนามรูปเป็นเหตุใกล้เหมือนกันนะมีวัตถุทวารอารมณ์เป็นเหตุใกล้ให้เกิดจิตเพรา ะ, ะจิตเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปคนที่เห็นเจริญจิตานุปัสนา ม, มากละความสาคัญว่าจิตนี้มั่นคงและแน่นอน นนะแล้วก็กำหนดรู้วิญญาณที่นำมาซึ่งนามรูปบุคคลนั้นเป็นผู้ไม่ยึดถือด้วยทิฏฐุปาทานไม่ยึดถือด้วยทิฏฐุปาทานนะทิฏฐุปาทานก็คือมิจฉาทิฐิมิจฉาทิฐิถือว่าจิตนี้เป็นอัตตาเมื่อถือว่าจิตนี้เป็นอัตตาหรือจิตเป็นสัตเข้าสัตเ ท, ยเ ท, ยตเทียงหรือไม่เทียงตดลงสัตเทียงหรือไม่เทียง สัตว์ก็ไม่มีใช่ไหมพระธาตุเจริญจิตตามนุปัสนาเห็นจิตตามความเป็นจริงสัตว์ก็ไม่มีแล้วสัตว์จะเที่ยงหรือสัตว์จะขาดศูนย์มาจากไหนก็จะละทิฐิป่าทานไปได้เป็นผู้ที่ไม่ประกอบอยู่ในทิฏฐิโยคะไม่ประกอบอยู่ด้วยศีลพัตะปรามาสกายขันทะถ้าพวกใดที่ถือว่าจิตเนี่ยเป็นของที่ที่เป็นอัตตานะพวกนี้จะปฏิบัติเพื่อชําระจิตให้บริสุทธิ์ทํำยังไง บางพวกก็หันไปอาบน้ําเพื่อให้จิตสะอาดบางพวกก็หันไปต้องดูอย่างจันทาพระพรามเนี่ยก็บอกว่าผู้ใดได้ดูท้องของเขาเนีจะจะบริสุทธิ์เขาบอกงั้นเขามีแสงออกจากท้องเรืองๆนั้นเขาก็เอาให้คนเนี่ยมาซื้อบัตรไปดูท้องของเขาอะแต่ว่าแล้วผู้ใดดูจะเป็นมงคลและจะเป็นเหตุให้บริสุทธิ์เป็นต้นพวกนี้ก็มุ่งชําระจิตเนี่ยนะ ชำระจิตแบบมิจฉาทิฐิทั้งหลายนะก็ถือความบริสุทธิ์ด้วยจิตพันธจิตแบบนี้เป็นจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยนะก็เลยสรรหาข้อปฏิบัติมากมายพันธะหากว่ารู้จักจิตตามความเป็นจริงก็จะไม่ปฏิบัติอยู่ในศีลและพระตะปรามาสกายขันธะความยึดถือเนี่ยนะความถือมั่นอยู่ด้วยอำนาจศีลและวัดเนี่ยนะศีลและวัดศีละแปลว่าศีลพระตะตัวนั้นแปลว่าวัด นะว่าตะก็คือวัดเป็นผู้ไม่มีอาสวะประกอบด้วยทิฏฐาสวะผู้ข้ามพ้นจากห่วงน้ำคือมิจฉาทิฐิทิโขคาก็คือห่วงน้ำคือมิจฉาทิฏฐิขณะเดียวกันไม่ถูกแทงด้วยลูกศรคือมานะคนที่ที่ยึดถือใจมากๆพวกนี้มานะมานะแรงมานะมีกําลังนั้นคนที่พิจารณาจิตตามความเป็นจริงก็ไม่ถูกแทงด้วยลูกศรคือมานะ ถ้าลูกศรคือมาณนะทีมแทงเนี่ยนะก็เหมือนกับเป็นปลาดุกย่างไหมคล้ายๆแบบนั้นแหละวิญญาณทิติกล่าวคือสัญญาของบุคคลนั้นย่อมถึงการกําหนดรู้จิตที่ตั้งอยู่ในสัญญานะวิญญาณทิติที่มีสัญญาเป็นอารมณ์เนี่ยนะเขาก็จะรอบรู้วิญญาณทิติคือจิตเนี่ยนะคำว่าจิตเนี่ยเมื่อจะตั้งอยู่ตั้งอยู่ที่ไหนตั้งอยู่ที่รูปตั้งอยู่ที่ เวทนาตั้งอยู่ที่สัญญาตั้งอยู่ที่สังขารจิตนี้เมื่อมันตั้งอยู่ตั้งอยู่ที่รูปเวทนาสัญญาสังขารถ้าเจริญกายานุปัสนามากจะกาหนดรู้จิตที่ตั้งอยู่ที่รูปถ้าพิจารณาเวทนานุปัสนามากจะพิจารณาจิตที่ตั้งอยู่ที่เวทนาถ้าพิจารณาจิตตานุปัสนามากจะพิจารณาจิตที่ตั้งอยู่ที่สัญญาเรียวิญญาณทิติ วิญญาณที่ตั้งอยู่ที่สัญญาก็จะได้รับการกำหนดรอบรู้ราคะที่ยินดีในสัญญาของบุคคลนั้นก็ย่อมหายไปคือบุคคลผู้มีกุศลสัญญาหรืออกุศลสัญญาที่เคยยึดถือในสัญญาเหล่านี้ก็ถูกละออกไปเพราะจิตนี้เวลาจิตเกิดขึ้นจิตเกิดร่วมกับสัญญาใช่ไหมเกิดร่วมกับกุศลสัญญาและเกิดร่วมกับอกุศลสัญญาหรืออพยกตะสัญญาเป็นต้น ถ้าพยากตะสัญญาก็เช่นมีสีขาวสีเขียวเป็นต้นเป็นอารมณ์ถ้าอากุศลสัญญาก็เช่นการมสัญญาเป็นต้นเป็นอารมณ์แล้วก็ถ้าเป็นอกุศลเอ่อขอไปกุศลสัญญาก็เป็นเนคขมมะสัญญาเป็นต้นคนที่รอบรู้ในเรื่องจิตก็จะละความสําคัญหมายเกี่ยวกับเรื่องสัญญาราคาที่มีอยู่ในสัญญาของบุคคลนั้นก็ย่อมหายไปบุคคลนั้นย่อมไม่ถึงพยาคติไม่ลำเอียงเพราะอานาจของความ กลัวเนี่ยนะครับวันนี้ก็เลิกกลัวได้กําจัดความกลัวออกไปได้อันนี้ก็เป็นอา น, นิสงส์ของการเจริญจิตตานุปัสสนาเมื่อมีการเจริญจิตตานุปัสสนาก็ย่อมละวิปปราชละทิฏฐุ ป, ปาทานละทิฏฐโยคะละศีลพตัตตะปรามยะปรามสกายคันธละทิฏฐสาวะละทิฏฐุคะถอนลูกศรคือมานะเห็นไห ละยินดีละราคาในสัญญาไม่ถึงพยาคติส่วนบุคคลผู้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เห็นธรรมคืออะไรเห็นธรรมคือนิวรณ์และเห็นธรรมคือพ่อชงเป็นต้นนะมีการกําจัดนิวรณ์แล้วก็เจริญโพ่อชงจนโพ่อชงเจริญบริบูรณ์ก็ย่อมละวิปลาสว่าเป็นอัตตาในสิ่งที่ไม่มีและอัตตาในสิ่งที่เป็นอนัตตา เรียกว่าตัวตนในสิ่งที่ไม่มีตัวตนเป็นยังไงตัวตนในสิ่งที่ไม่มีตัวตนนะหมายคมว่าปกติแล้วทมทั้งปวงเป็นอนัตตาใช่ไหมททั้งปวงเป็นอนัตตาแต่มิจฉาทิฐิบุคคลสำคัญว่าเป็นอัตตาจริงๆแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณคืออุปาทานขันห้าหรืออายตนา12แต่มิจฉาทิฐิบุคคลสำคัญว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอัตตา นะสําคัญนิวร์ว่าเป็นอัตตาเป็นต้นเนี่ยนะพันผู้ที่เจริญธรรมานุปัสนามากก็จะละความสําคัญผิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอัตตาก็อย่างที่กล่าวแล้วนะว่าอุปาทานขันห้าหรือทุกขสัจจะเนี่ยนะรูปประขันรูปประขันยังไงมันก็ไม่งามเวทนาขันอย่างไรก็เป็นทุกความเป็นจริงของเวทนาคือเป็นทุกความเป็นจริงของจิตคือไม่เที่ยงความเป็นจริงของธรรมทั้งหลายก็เป็น อนาตาแต่ผู้ที่ไม่ไม่มีสติปัฏฐานหรือไม่ได้เจริญสติปัฏฐานไม่ได้อบรมโพธิปัจขิยธรรมบุคคลเหล่านี้สําคัญว่างามสําคัญว่าสุขสําคัญว่าเที่ยงสําคัญว่าเป็นอัตตานี่คือความสําคัญผิดความเข้าใจผิดที่เขาเข้าใจผิดอย่างนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะเขาไม่มีทำเครื่องนําออกจากทุกคือสติปัฏฐานเขามีแต่ธทมที่ทําให้เฝ้าอยู่ในกองทุกข มีแต่อากุศลที่ทำให้จมอยู่ในกองทุกข์วันคนที่เจริญสติปัฏฐานสี่จึงเป็นคนที่ละวิปปาราศทั้งที่เป็นสุภาพวิปปาราศสุขวิปปารานิจะวิปปาราศและอัตตวิปปาราศวิปปาราศแปล ว, ว่าวิปริตความเข้าใจที่วิปริตที่ไม่เป็นไปตามเป็นจริงโดยปกติทั่วไปเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายสาคัญว่าเจตนานี้เป็นอัตตา บ า, บางพวกนี้ก็สําคัญว่าเจตนานี่แหละเป็นอัตตาใช่ไหมก็จร is, yeah, <Taylor. S 1> ิงนะความรูปสรรเจตนาเป็นต้นหรือกายสัรเจตนาวจีสันเจตนามโนสัรเจตนาโดยทั่วๆไปนี่สําคัญว่าเจตนานี้เป็นอัตตาตัวเราที่แท้จริงคืออะไรบางพวกก็คิดไปคิดมาตกลงว่าเจตนานี่แหละคืออัตตาเราล่ะตัวนี้แหละคือตัวอัตตาอยู่ที่เจตนาทัานเจตนานี่แหละคือตัวอัตตาเข้าผู้ที่ไม่เจริญธรรมานุปัสสนาก็สําคัญอัด สำคัญเจตนาว่าเป็นอัตตาทั้งๆที่เจตนาก็ไม่ใช่อัตตาอะไรนะก็ละวิปปะาสาคัญว่าเป็นอัตตาซะมโนสัญเจตนาหารนย่อมถึงการกำหนดรู้แก่บุคคลนั้นคนที่เจริญธรร ม, มานุปัสนามากๆเนี่ยนะจะ อ, ะอะไรนะจะรอบรู้ในเรื่องของมโนสัญเจตนาจะรู้จักเจตนาที่เกิดร่วมกับราคะรู้จักเจตนาที่เกิดร่วมกับโทสะรู้จักเจตนาที่เกิดร่วมกับ ทีนามิทารู้จักเจตนาที่เกิดร่วมกับอุทจารคุกจากรู้จักเจตนาที่เกิดร่วมกับวิจิกิจารู้จักเจตนาที่ประกอบกับสติประกอบกับธรรมวิจยะเป็นต้นนั้นมโนสัญเจตนาฐารของเขาเขาจะได้รับการทําปริญญารอบรู้รอบรู้ทั้งโดยสภาวะโดยลักษณะโดยวัตถุโดยทวารโดยอารมณ์โดยปัจจัยเนี่ยนะก็จะรอบรู้ว่าเจตนาบางอย่างควรละเจตนาบางอย่างควรจเจริญ เจตนาที่เกิดร่วมกับนิวร์เป็นต้นต้องละเจตนาที่เกิดร่วมกับโพชอชองเป็นต้นก็ต้องเจริญขึ้นมันเขาก็กลายเป็นผู้ที่รอบรู้ในเจตนาบุคคลนั้นเป็นผู้ไม่ยึดถือด้วยอัตวาทุปาทานเพราะไม่เห็นสําคัญอะไรว่าจะเป็นสัตว์แม้แต่อย่างเดียวเป็นผู้ไม่ประกอบด้วยอวิชายาโยคะนะก็จะไม่มีอวิชายาโยคะความประกอบด้วยอํานาจของอวิชชา ไม่ประกอบด้วยอิทังสัจจาพินิเวสกายคันธะอิทังสัจจาพินิเวสกายคันธะหมายความว่าพวกนี้ยืนยันว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นไม่ใช่อย่างนี้เท่านั้นจริงแท้อย่างอื่นไม่จริงไม่แท้หรอกเป็นผู้ไม่ประกอบด้วยอาสวะเข อ, อวิชาอาวิชชาสวะนะเป็นผู้ข้ามอาวิชโชคะเป็นผู้ไม่แทงตลอดอ่ะอไปไม่ถูกแทงด้วยลูกศรคือโมหะ วิญญาณทิติกล่าวคื อ, อวิญญาณทิติที่ตั้งอยู่ในสังขารของบุคคลนั้นย่อมถึงการกําหนดรู้ราคะความยินดีในสังขารการปรุงแต่งของบุคคลนั้นย่อมหายไปและบุคคลนั้นย่อมไม่ถึงโมหะคติอันนี้เป็นการยกขึ้นด้วยการละสรุปว่าสติปัฏฐานสี่ถ้าเจริญถูกต้องจริงเนี่ยจะต้องมีการละตามนี้จริงถ้าเจริญสติปัฏฐานสี่อย่างถูกต้องจะละวิปปราชี เท่ากับกำหนดรู้อาหารสี่เจริญสติปัฏฐานสี่อย่างถูกต้องไม่ยึดถือด้วยอุปาทานสี่ น, นะไม่ผูกประกอบด้วยโอโยคะสี่ไม่ประกอบด้วยอะไรนะากายคันทะสี่คันทะสี่เป็นผู้ไม่มีอาสวะสี่ประการข้ามโอคะาสี่ประการไม่ถูกแข็งด้วยลูกศรสี่ประการเท่ากับกำหนดรู้วิญญาณทิติสี่ประการราคาในรูป เวทนาสัญญาสังขารก็ถูกละไปเป็นผู้ที่ไม่มีอคติทั้ง4ประการอันนี้คืออา น, นิสงส์ของการเจริญสติปัฏฐานถ้าเจริญสติปัฏฐานถูกต้องเนี่ยผลพวกนี้เป็นเครื่องวัดว่าถ้าเจริญสติปัฏฐานจริงก็ต้องมีการละสิ่งเหล่านี้จริงกําหนดรู้สิ่งเหล่านี้จริงถ้าไม่เจริญสติปัฏฐานจริงก็ไม่มีการละอะไรจริงแม้แต่อย่างเดียวเนี่ยนะมันพวกนี้ก็เป็นเครื่องตรวจสอบเหมือนกันนะโดยเฉพาะหัวข้อธรรมะ ธรรมะในสมาโรปนะหาระเนี่ยนะเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องตรวจสอบของผู้ที่ปฏิบัติธรรมเป็นอย่างดีเพราะอย่างยุคนี้เป็นยุคที่คนนิยมเจริญสติปัฏฐานเห็นอา น, นิสงส์ของสติปัฏฐานบอกสติปัฏฐานนี่ดีจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าสรรเสริญว่าอย่างไงนะสติปัฏฐานสติปัฏฐานเป็นทางสายเอกเพื่อเพื่ออะไรก้าล่วงโศกะปริเทวะเพื่อดับไปแห่งทุกข์และโทมนัส เพื่อบรุญใหญ่ทำเพื่อ <pe> er> ทำพระนิพานให้แจ้งอนนคือสติปัฏฐานสทีนี้สติปัฏฐานสี่ไม่ว่าจะเป็นกาย า, านุปัสนาสติปัฏฐานเวทนานุาปสนัปสานานะสติปัฏฐานจิตทานุปัสนาสติปัฏฐานและธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานอนนกายานุปัสนาสติปัฏฐานก็คืออนุปัสนาเจ็ที่มีกายเป็นอารมณ์เวทนานุปัสนาสติปัฏฐานก็คืออนุปัสนาเจ็ดที่มีเวทนาเป็นอารมณ์ จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คืออนุปัสสนาเจตที่มีจิตเป็นอารมณ์ทำานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คืออนุปัสสนาเจตที่มีธรรมเป็นอารมณ์มั้นถ้าจเจริญตามนั้นจ ulk, ริงทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่า traumatic. ถ้าเจริญตามนีม้จริงละวิปัสสาได้จริงถ้าเจริญอนุปัสสนาเจตในกายจริงก็ต้องละสุภวิปัสสาได้จริงถ้าเจริญเวทนานุปัสสนาละสุขวิปัสสาได้จริง ถ้าเจริญจิตานุปัสสนาจริงก็ต้องละอะไรนิจวิปปลา่าถ้าเจริญธรรมานุปัสสนาก็ต้องละอัตตวิปปลาเพราะวิปปล า, ปลาสีต้องถูกละไปแน่นอนแล้วก็มาตรวจสอบดูว่าเรายังวิปปล่าอยู่ไหมถ้าเราบอกเจริญสติปัฏฐานอยู่ถ้าวิปปล่าอยู่ก็ไม่ใช่สติปัฏฐานนีนะถ้าไม่วิปปลา่าหรือว่าวิปปล่ามันสางลงไปบ้างก็แสดงว่าเจริญเจริญได้บ้าง ถ้าวิปลาสไม่ลดลงเลยไม่ได้เจริญเลยต่อไปอาหารสี่ถ้ากำหนดรู้รูปจรงิงกำหนดเจริญกายานุปัสสนาจรงิงกับพลิงการาหานก็ต้องมีการกำหนดรู้จริงถ้าเจริญเวทนานุปัสสนาจรงิงก็ต้องเป็นคนที่กำหนดรู้ภสษาหานถ้าเจริญจิตตานุปัสสนาจรงิงก็ต้องกำหนดรู้วิญญาณอาหารถ้าเจริญธรรมานุปัสสนาจรงิงก็ต้องได้กาหนดรู้มโนสัญเจตนาหารจริง ทีนี้พูดถึงสิ่งที่ละออกไปอีกอย่างเช่นถ้าเจริญกายานุปัสสนาจริงก็ต้องละกามุปาทานจริงถ้าเจริญเวทนานุปัสสนาจริงก็ต้องละภวปาทานจริงนะถ้าเจริญจิตานุปัสสนาจริงก็ต้องละทิฏฐปาทานจริงถ้าเจริญธรรมานุปัสสนาจริงก็ต้องละอัตวาทุปาทานจริงเพราะว่าสติปัฏฐานสี่ที่บุคคลเจริญแล้วทาให้ได้ละธรรมะหมวดสี่ คือละอกุศลลรทำหมวดสีได้จริงทั้นก็ต้องมาตรวจสอบนะนะอันนี้เป็นเป็นหัวข้อธรรมะที่เอาไว้เกิดเอาไว้ตรวจสอบในการปฏิบัติของเราทั้งหลายว่าผู้ที่เจริญสิ่งที่ควรเจริญจริงก็ต้องมีการละสิ่งที่ควรละจริงเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมที่ควรเจริญและธรรมที่ควรละโพธิปัจฉยธรรมเนี่ยนะถ้าเจริญสติปทานสี่จริงสมัมมาปทานสี่อิทิบาทสอินทรี่ห้าพละหโพชงเจ็ด อริยมรรคมีองค์แปดก็ต้องเจริญบริบูรณ์ได้จริงถ้าเจริญสติปัฏฐานสี่จริงก็ต้องละบาปอกุศลธรรมทั้งหลายได้จริงเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่สอนให้ละบาปอกุศลได้จริงเป็นคำสอนที่สอนให้เจริญกุศลธรรมเจริญงอกงามได้อย่างแท้จริงอันนี้ก็เป็นเครื่องว่ากฎเกณฑ์ในการปฏิบัติของเราก็มีอยู่อย่างนี้ สรุปสมาโรปนะหาระเนี่ยนะหาระที่ยกขึ้นซึ่งทำสี่ประการมีประทัฐานเววจชนะภาวนาและปะหาะ น, นะนะก็ถือว่าเป็นหาระสุดท้ายในจำนวน16หาระที่ถือว่ามีความสำคัญมากต่อต่อคัมภีร์เนติปกรณอย่างที่ว่าเนติปกรณ์แปลว่าอะไรคัมภีร์ที่นำไปสู่มรรคผลและนิพพานก็คือคัมภีร์เพื่อความดับทุกนั่นเองเพราะฉะนั้น โดยเฉพาะหาระอันนี้ก็ตรวจสอบได้ว่าสิ่งที่เราปฏิบัตินั้นมีอะไรเป็นเหตุใกล้กุศลธรรมที่เราเจริญมีอะไรเป็นเหตุใกล้และที่เจริญอยู่นี้เป็นเหตุใกล้ของอะไรต่อไปบ้างมีถ้อยคําอะไรที่ใช้แทนถ้อยคําเหล่านี้บ้างไหมและได้เจริญอะไรแล้วละอะไรไปบ้างอันนี้อันนี้ก็ไว้ตรวจสอบในชีวิตที่เป็นจริงได้เนี่ยนะจากคําสอนเหล่านี้ คนที่เข้าใจคำสอนเหล่านี้แล้วก็เอาไว้ตรวจสอบตัวเองก็ยากที่จะปฏิบัติผิดและปฏิบัติพลาดแต่ถ้าไม่เป็นไปตามนี้ก็ชื่อว่าปฏิบัติผิดและพลาดแล้วนะ